พระธรรมเทศนาแผ่นที่84ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23กุมภาพันธ์2559มีชื่อเรื่องว่าใช้ปัญญาเพื่อหาทางออก ลูกหลานอยู่ในความสงบห้ามกระดุกกระเดกมีแต่หายหายใจะหยุดหายใจไม่ได้เป็นไงเมื่อวานงานเมื่อวานเนี่ยวงพ่อเองก็ไม่คาดคิดว่าคนจะเยอะถึงขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้มีบัตรเชิญหรือว่า มีแต่ลุงพ่อพูดตอนเช้าแต่ลุงพ่อคิดว่าคงจะเป็นเรื่องของเฟสเรื่องของไอการสื่อสารในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยนะเป็นการบอกกล่าวรู้สึกว่าคนมามากเกือบจะว่าไม่แพ้ ง, งานกระถินเลยแต่ลงทาเ น, นี่ยน้อยกว่านะแต่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสาม กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เมื่อวานพวกเราทำบุญรวมญาติพร้อมกันก็เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาพวกเราก็ดึกพ่อพูดมาหลายวันว่าทำบุญรวมญาติแต่ก็มีพระสงฆ์เขามามากนะพระผู้ใหญ่ ฟังฟังดูแล้วก็50กว่าสมผานแต่ท่านก็มาสวดมนต์เย็นจากตอนเช้ามาท่านก็ไม่ไดมาร่วมฉันเพราะต่างคนก็ต่างมีวัดวาศาสนาของใครของเราเพอตอนเย็นท่านก็ว่างอยู่เพราะว่าท่านยังไม่ได้จัดงานท่านก็มาสวดมนต์พวกเราก็ได้ถวายเจตุปัจจัยไทียธรรมเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ให้ท่านหน่อยกับพวคณนะสงฆ์ให้ช่วยๆกันดู พวกเราถวายจตุปัจจัยไปเมื่อวานนีนะถวายจตุปัจจัยไปเมื่อวานถวายพระสงฆ์ทั้งหมดไปหมดไป 3,500,000 นะ 3, 50, 000, นกว่าบาททั้งชีด้วยแล้วก็จจตุปัจจัยที่ได้มาเมื่อวานนี้ก็ได้0 0 0 0กว่าบาท0 0 0 0กว่าบาทหลวงพ่อไม่ได้หักค่าใช้จ่ายก็เอาเข้าบัญชีบัญชี J จดีทั้งหมดให้ ปกธนาคารมาเมื่อวานเราเขอาบัญชีเจดีเด้ะคือให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่ทําบุญมาให้มีส่วนร่วมในการสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาถึงจะไม่ได้สร้างที่วัดป่าบ้านตาดคงจะมีามาขึ้นที่นาคำน้อยอาจจะเป็นอันใดอันหนึ่งต้องแน่นอนต้องมีแต่ถ้าหลวงพ่อเองก็ต้องคิดขึ้นบ้านพ่อซะก่อน คือวัดป่าบ้านตาดเพราะนั้นหลวงพ่อจึงรวบรวมพอหลวงพ่อได้พูดไว้ได้กล่าวไว้แล้วท่าว่าใกล้ๆวันนั้นปลับปรับหลวงพ่อกองจะหาไม่ทันเพราะนั้นหลวงพ่อต้องพูดแต่เนินเน่นๆประชาพันธ์กับลูกกับหลานงานในวัดของเรามีมากน้อยแล้วก็เก็บหอมรอมริบเข้าบัญชีเอาไว้สรุปแล้วก็คือไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ดใดใครผู้หนึ่งหนักใจที่หลวงพ่อได้พูดไปอย่างหลวงพ่อได้พูดนะ หลวงพ่อคิดดีแล้วหลวงพ่อจึงพูดนะถ้าว่าหลวงพ่อคิดไม่ดีพอพูดไปแล้วเนี่ยทำให้หนักใจถึงคราวจะได้ใช้มาเนี่ยเดือดร้อนศรัทธาญาติโยมผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าว่าหลวงพ่อไม่คิดไม่ดีซะก่อนพูดออกไปมีปัญหาทาให้คนอื่นเดือดร้อนหลวงพ่อก็คงจะไม่สบายใจเหมือนกัน ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อก็คงจะไม่สบายใจเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงตเตรียมไว้แต่เนิน่นๆอันนี้คือปัจจุปจะตุปัจจัยและหลวงพ่อก็คิดว่าดวงวิญญาณที่พวกเราทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณก็เคารพกราบไหวในองค์หลวงตาทุกคนเพราะนั้นให้ดวงวิญญาณเหล่านั้น ท่านเหล่านั้นตลอดถึงพวกเราท่านทั้งหลายเ อ, อ, อพวกเราก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันณนะสุขภาฬะลบับยศสรรเสริญสุขออที่ได้มาร่วมกันถวายจตุปัจจัยหลวงพ่อให้ธนาคารเขาเออกเข้าบัญชีทั้งหมดเมื่อวานส่วนจตุปัจจัยสามแ 0,000 นกวาน่าบาทเป็นปัจจัยของวัดเราคนถวายต่างกลามต่างวาระพวกเราก็ได้ทําบุญถวายพระสงฆ์ อันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอนุโมทนาอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะมันใช่ปัจจัยของหลวงพ่อเป็นปัจจัยของวัดเป็นปัจจัยของวัดเป็นปัจจัยของพวกเราทุกคนถวายมาคนละมากคนละน้อยแล้วก็ถวายพระสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณ น, ะนี่แหละอันนี้คือหลวงพ่อบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบ เรื่องจะตุปัจจัยเรืองทีกหลวงพ่อได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเรื่องการดูแลจัดการจัดงานอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องช่วยกันคิดต่อไปในอนาคตเพราะว่าอนาคตอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเนีดูในปัจจุบันนี่ก็แล้วกันอนาคตคนจะมากมายขนาดไหนถ้าหากว่าจะให้ผูใ้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้ดูแลจัดการเนี่ยงหนักแน่แต่พวกท่านทั้งหลายไม่จับมือกัน ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายไม่จับมือกันไม่ประสานให้เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าว่ามันขาดตุกปกพ่องก็ให้บอกหลวงพ่อนะเพราะเรื่องทั้งหลายมันอยู่กับหลวงพ่อทั้งหมดเรื่องทั้งหลายอยู่กับหลวงพ่อทั้งหมดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดถ้าหากว่ามันมีปัญหามันจุง่งเยองวุ่นวายพอใกล้ๆวัน กรถินเนี่ยหลวงพ่อกระลบหนีซะไก่ไก่วันเกิดหลวงพ่อกระลบหนีซะอผลที่สุดลบหนีวันสักสามสี่ห้าปีเท่าน่ะถ้าหลวงพ่อไม่ตายง่ายนะเออแล้ก็หมดเอง่ะงานจะไปหายากอะไรมันอยู่กับหลวงพ่อทั้งหมดนะถ้าหากว่าลูกหลานทั้งเห็นว่าคุณค่ามีประโยชน์อยู่ลูกหลานทั้งหลายก็ต้องประสานกันะจับมือกันพร้อมเพียงสามัคคีกันหวังบุญกุศล ไม่ใช่หวังอย่างอื่นหลวงพ่อไม่ได้เน้นหนักให้พวกเราหวังอย่างอื่นนะไม่ใช่ว่าพวกเราจะอยู่โชว์้าดินสลายตายไม่เป็นไม่ใช่สิ่งไหนคือคุณงามความดีพวกเราควรจะสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราถ้าจิตใจของเราเป็นมีบุญมีกุศลแล้วเหมือนกับเราเก็บหอมรอมริบ หาเงินใส่กระเป๋าเต็มกระเป๋าแล้วนะ่ะจะไปที่ไหนได้ทั้งได้ทั้งนั้นอไปอยู่ประเทศไหนอยู่ที่ไหนบัตรเอทเอมบัตรอะไรต่อมิอะไรเพชรนินกินดาพอไปประโรคประโรคภายภาคหน้าเนะี่ยไม่มีดอกขโมยโพยโจรมีแต่ความซื่อสัตย์สุจริตทําให้ใช่ของตัวเองแนละ้เอาไม่ได้แตะไม่ได้อนี่ก็เหมือนกันถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของเราแล้วนะเราไปอยู่นสถานที่ใด ขโมย เ, เอามาไม่ได้จะเป็นใครก็ตามไม่สามารถที่จะมาขโมยบุญกุศลของเราในจิตในใจของเราได้เราอยู่น่าจะฐานที่ใดเราเป็นผู้ร่ำรวยเราเป็นผู้มีทรัพย์มากเราเป็นผู้มีบุญมากอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นทุกทั้งนั้นแหละเพราะบุญมันขโมยกันไม่ได้บาปบุญขโมยกันไม่ได้ไไดทดแทนกันไม่ได้ของใครของเรา เพราะนั้นการสั่งสมบุญกุศลก็เหมือนกันนั่นแหละของใครของเราเราจะไปคิดว่าเขาคนนั้นทำคนนี้ไม่ทำให้มองตอนเองค่าทำเพียงพอหรือยังเต็มความสามารถของเราหรือยังเราหนักหนาไหมเราเดือดร้อนไหมแต่เราไม่เดือดร้อนเอาทำถ้าเราเดือดร้อนอย่าทำอย่างหลวงพ่อทำพาลูกหลานทำหลวงพ่อเดือดร้อนไหมแต่ว่าจะถุกปัจจัยพระพสงฆ์ไม่เดือดร้อนทาได้ เนี่ยอันนี้หลวงพ่อก็ทำแล้วก็ไม่ใช่มีแต่เพียงแค่นี้มากกว่านี้ก็พร้อมที่จะทำได้แต่ส่วจุดไหนทีไท่ไม่ควรจะทำไม่ควรจะทำหลวงพ่อก็จะไม่ทำอย่างที่หลวงพ่อพูดนะเอเราไม่เบื่กใค้นะอย่างนี้เป็นต้นนะเออพอเราไปดูแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ในจุดนั้นในจุดนั้นก็คือให้พวกเราพร้อมเพียงสามัคคีกันเกื้อกูลหนุนกันมันก็ไม่มีปัญหา ถ้าว่ามันขาดตัวปกป้องใครเป็นคนบน่นก็บอกให้บิไปกินน้ําลางมันมีอยู่เยอะแยะไปอถา้าใครว่าไม่มีอาหารจะกินนะไปกินน้ําลางน้ําลางไม่อยู่น้ําของเรา เ, เต็มคลองอย่านั้นเอาให้ท้องแตกก็ได้ เ, เพราะนั้นไม่ต้องบน่นถ้าบ่นก็บ่นให้ตัวเองอทําไม่าเนี่าไม่มีส่วนร่วมกับปมูเพื่อนหรอกต้องถามตัวเองอย่างนั้นนะ อันนี้หลวงพ่อใช้สอนให้ใช้ปัญญานะสอนให้ใช้ความคิดช้อยสอน ใ, ใช้เสียสละหลวงพอ่อไม่ใช่ว่าเก็บอย่างเดียวไม่ใช่ว่าใช้อย่างเดียวใช้อย่างเดียวก็ไม่ถูกเก็บอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องรู้จักการกาลเทศะการสถานที่บุคคลควรจะทำยังไงเนี่ยเราหลวงพ่อใช้สอนลูกศิษย์ลูกหานะ ให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาให้ใช้ศรัทธาให้ใช้ความเพียรให้ใช้ความอดทนสรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญาอันสุดท้ายให้ใช้ปัญญาก่อนจะเสียสละก็ให้ม่ให้มีปัญญาก่อนจะสละสละอย่างนี้ทําบุญอย่างนี้ไม่ใช่ทําแบบโมโง่ทำเฉยๆแบบศรัทธาแล้วก็ทําด่าไปเรื่อยไม่ใช่มันถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมจะเป็นบุญเป็นกุศลไหมจะเป็นโทษไหม ที่เราศรัทธาไปนี่น่ะเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาเราจะใช้ความเพียรก็เหมือนกันแล้วความพยายามความเพียรของเราเนี่ยมันไปในทางที่ถูกต้องไหมเพียรพยายามอย่างนี้หรือเพียรอย่างไงเพียรอย่างนี้เพียรไปหาห้านรกใช่ไหมหรือเพียรไปหาสวรรค์เราก็ต้องใช้ปัญญาทบทวนกันกรองไตรตรองสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราเรามีความอดทน เรามีความอทนเราใช้ปัญญาอีกเอ๊การอดทนแบบนี้อดทนแบบโง่หรืออดทนแบบฉลาดเราก็ต้องใช้ปัญญาพิเคราะห์ อ, อีกอสรุปแล้วก็คือปัญญานี่ใช้ในที่ทุกสถานแต่ใช้ปัญญาไปในทางที่ไม่ถูกไม่ไม่ถูกต้องเนาะก็เสียหายอย่างมากมหาศาลเหมือนกันนะเอเห็นไหมอไอสตรายท่านใช้ปัญญาคนที่ใช้ปัญญาทําระเบิดปรมาูนฆ่าคน อันนั้นแปลว่าใช้ปัญญาไปในทางที่มิจฉาทิฏฐิมิจฉ า, าชีพหรือว่าอทําฆ่าคนมากใช้ปัญญาเป็นบาปอากุศลมหาศาลป้อยไรเพราะเขาเหล่านั้นไม่รู้จักอิโนโนอินเนไปฆ่าเขาทั้งหมดเนี่ยแหละใช้ปัญญาไปในทางที่ถูกก็ถูกนะลูกหลานนะใช้ปัญญาไปในไปในทางที่ผิดก็ผิดมหาหันเหมือนกันนะ เพราะนั้นตอนปัญญาคํานี้เนยเป็นดาบสองคมทีเดียวเพราะนั้นเราต้องต้องใช้ปัญญาแต่จําเป็นต้องใช้ปัญญาตัวนี้เเรามีความเพียรเพื่ออะไรมีความอดทนเพื่ออะไรมีศรัทธาเพื่ออะไรอมีการให้ทานทานเพื่ออะไรมันมีทั้งหมดเราอธิษฐานจิตอธิษฐานเรื่องอะไรถูกต้องไหมในคําอธิษฐานของเรานี่แหละ สรุปแล้วก็คือใจสติใช้ปัญญาใช้ความรอบขอบถ้าเรามีสติเรามีต้ามีสติสติคือความตั้งมั่นถ้าคนเป็นบ้าเนี่ยไม่ขาดสตินั้นก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันคิดโลโลเลเลยไปจะใช้ปัญญาได้ยังไงเมื่อคนขาดสติในเมื่อคนมีสติสมบูรณ์ในเมื่อมีสติแล้วต้องใช้ปัญญาเอาสติเป็นที่ตั้งมั่นจากนั้นก็ใช้ปัญญากันกรองไตรตองในเรื่องนั้นๆ เมื่อเรื่องน่านเราจะรู้ได้ว่าสิ่งควรไม่ควรอย่างไรการะเทศการสถานที่บุคคลเกี่ยวมกาเกี่ยวข้องควรจะปฏิบัติตนมากน้อยแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่ลูกพ่อมิเตบอกกล่าวแนะนำศรัทธาญาติโยมลูกหลานผ้านเน ใ, ใช้ความอดทนให้ใช้ปัญญาศรัทธาความเพียรแต่สรุปแล้วก็คือต้อง มีปัญญานะรังท้ายมีปัญญาที่อตรวจตราวิเคราะห์ในเรื่องนั้นๆถ้าคนใช้ปัญญาแล้วมันไม่เกิดลเลยลงพอไม่เกิดก็ใช้เท่ามันมีนะนะั่นแหละเรามีสตางค์น้อยเราก็ใช้ที่มันน้อยนละยดีกว่าซื้อบื้อไม่ใช้ไม่รู้จักใช้อะไรเลยมันก็ยิ่งไม่มันก็ยิ่งไม่มีใช่อทํามันไม่มีกันเราก็ต้องสศวแสวงหาทีไม่มีปัญญาเพราะอะไร เพราะเราขาดการค้นคว้าใช่ไหมขาดการได้ยินได้ฟังใช่ไหมขาดการสติของเราเลื่อนลอยใช่ไหมอันเราก็ต้องค้นหาตัวตัวนั้นอีกทําไมเราจึงไม่มีปัญญาเนี่ยถ้าเราค้นขวาสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้อในตํำรับรําราธรรมเทศนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังฟังและทบทวนที่ท่านพูดเดี๋ยถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมนี่แหละ เป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาตั้งความสงสัยถ้าเราตั้งความสงสัยในจุดไหนจุดนั้นหละคือบ่อกเกิดแห่งปัญญาให้พวกเราคิดไว้นะแต่อะไรคือหมายเชื่อทั้งหมดอะไรก็ไม่สำคัญทั้งหมดซื้อบื้อไปทั้งหมดมันไม่เกิดปัญญาหรอกถ้าว่าเรามีความนั่งในใจของเรามีความสงสัยตั้งใจมีความสงสัยว่า อ, อ, อันนี้มันเป็นยังไงอย่างนั้นก็ศึกษา นขนคว้าในเรื่องนั้นนั่นน่ะปัญญากจะค่อยแตกฉานออกไปเรื่อยๆอันนี้นคือบอกเกิดต่อนนี้ไปรับพ่อนในตอนนี้นะคณะจ้าทายญาโจมลูกหลาน